รูปนี้พระพทธภาสิทธิปริชินะนมิดังรูปังโรกนิดังประพังคุณังทิชติปูติสั้นเดโฮบรรณะตังฮีกีวิตังแปลความว่ารูปนี้ร่ำคราเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอธิบายความ สิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องโซโสมค่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความค่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิฉันณชราความแก่ที่ยังปกงปิดอยู่เมื่อใดฟันหักผมหงอกหนังหดเทียวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอับปฏิชันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้ว ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคล่าเพราะฉชราเหมือนกวียนเกา่าเอาไม้ไผ่มาประนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระศาสดา จ, จึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เนืองนิดอภินหะประเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็จะตาย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 ไม่ว่องวาเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจําก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วว่ายัางไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจําไม่เลอะเลือนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจําใจมันเจริญภาวนาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคหนาๆชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่างๆเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้น อย่างน้อยมีสองทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจํานวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวเช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวาต์มล l รียเป็นต้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะอาวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทําหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ่วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอาวัยวะในร่างกายพิการ เพราะพอทำลายเชื้อได้โรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะตอมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจัดอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาคช่วยให้ตอมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ช่วคราวเมื่อหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายากแต่ปัจจุบันนี้ในรายที่รีบรักษาเสียตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นดูเหมือนหมอจะช่วยให้หายขาดได้แล้ว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 แต่เมื่อเหลือป้องกันหรือเผลอไปจนโรคเกิดแล้วก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามความสามารถอั น, นึ่งแพทย์สมัยใหม่ดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกว่าการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีคือทําใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้นเป็นทั้งวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยี่ยมตรงกันข้ามความวิตกกังวลความกลัวความกระวนกระวายใจความโรคและความพริษยาเป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการแพทย์กล่าวว่า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 ร่างกายนี้เป็นของเปื่อยพังประพังกุนังต้องแตกทำลายไปในที่สุดอันที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดกองเนื้อและกระดูกประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเซลล์ของร่างกายส่วนใดตายลงร่างกายส่วนนั้นก็เป็นแผลเป็นหนองหรือเปื่อยพังให้เห็นอย่างชัดแจ้งความจริงร่างกายเปื่อยพังอยู่แล้วโดยสภาพของมัน เพียงแต่มีหนังกริ้งเกรียงห่อหุ้มไว้โดยทั่วเป็นสิ่งคางตาเท่านั้นเมื่อมีแทงให้ทะลุนหนังเข้าไปความเปื่อยพังก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกแห่งทั่วกายร่างกายค่อยๆสุดโทมทีละน้อยได้อาหารและอากาศเป็นต้นคอยซ่อมแซมไว้แต่ก็ซ่อมแซมไม่ได้ตลอดไปในที่สุดต้องตายทุกคนต้องทอดทิ้งสรีละนี้แล้วไปตามยาถากรรมของตนของตนพระศาสนาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ เพราะทรงปรารพระเถรีรูปหนึ่งชื่ออุตรามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระอุตราเถรีพระเถรีนี้มีอายุได้หนึ่งรอยี่สิบปีวันหนึ่งเที่ยวบินธบาตอยู่ได้อาหารพอประมาณเลี้ยงตนคณะกลับจากบินธบาตได้พบภิกษุรูปหนึ่งระหว่างทางจึงถามอาหารบินธบาต ท, ที่ภิกษุนั้นได้ถ้ายัางไม่ได้นางจะถวายภิกษุนั้นมิได้ปฏิเสธ นางจึงได้ถวายอาหารที่นางได้ทั้งหมดแก่ภิกษุนั้นตนเองยอมอดอาหารในวันที่สองและวันที่สามก็ได้พบภิกษุนั้นอีกนางได้ถวายอาหารของตนแก่ภิกษุนั้นอย่างวันก่อนในวันที่สี่นางเที่ยวบินทบาตได้พบพระาศาสดาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งด้วยความยำเกรงนางถอยหลังไปหน่อยหนึ่งบังเอิญเท้าเหยียบเอาชาจีวรของตนหกล้มลงพระาศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสว่าน้องหญิง ร่างกายของเธอแก่ง่อมแล้วคงต้องแตกสลายในวันหนึ่งอย่าเสียใจเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารูปนี้ข่มคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปยืยย่อมแตกดับระชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเมื่อจบเทศนาพระเถรีได้บรรลุโสดาปติผล